ตอนนี้ไปตั้งใจฟังนานทีหลวงพ่อจะได้มาแสดงธรรมแก่คณะศรัทธาญาติโยมพี่น้องลูกหลานชาวจังหวัดอุดรในตัวเมืองอุดรนะแต่ในวัดคองโลวพ่อหลวงพ่อก็พูดเกือบทุกวีทุกวันแต่ถ้าว่าในเมืองอุดอรหลวงพ่อ แสดงธรรมแล้วพูดครั้งสุดท้ายก็คือพูดแสดงธรรมที่เจดีวัดโพธิสมพรจากนั้นก็ยังไม่เคยแสดงธรรมอีกเป็นอันว่านานทีหลวงพ่อจะได้มาพูดได้มาพบกับคณะสัตา ย, ยาติโยอมวันนี้นับว่าคณะสัทา ย, ยาติโยอมคณะกรรมการมีท่าน พระ อ, อาจารย์ผู้รักษาการแทนเจ้าวาดหรือพ่านอาจารย์หมุนอาจารย์ได้กับคณะกรรมการได้นิมนต์หลวงพ่อมาแสดงธรรมหลวงพ่อเองก็ปีก่อนก่อนก็ติดธุระพอปีนี้เข้ามาแล้วก็พ่อไม่ได้มาหลายปี ตั้งแต่หลวงปูม่มรณภาคคราวนั้นหลวงพ่อก็ได้เป็นองค์แสดงธรรมองค์หนึ่งในบรรดาหล า, หลายองค์แต่จากนั้นมาหลวงพ่อมีตติดธุระแต่คราวนี้ก็บุดวิดเหมือนกันเพราะว่าเป็นวันวันพรุ่งนี้จะเป็นวันอัศรหาบูชาเป็นวันจวนจะเป็นวันข้อพรรษาอย่างวันนี้ก็รู้สึกว่าลูกหลานคณะรัพทา ญ, ญ, ญาติโยมจากญากติรทิศเข้าไป เพราะเป็นวันหยุดหลายวันอพอออกจากวัดบรรตาดแล้วก็หลังไหลขึ้นไปทางนู่นไปทางภูกอนไปกราบไปไหว้พักหินอ่อนจากนั้นก็แวะลงมาที่วัดร้องหลงพ่อรู้สึกว่าญ <c oughs> าติโยมวันนี้แน่นวัดไปหมดเลยวันนี้ถ่ตอนนี้ไปหลวงพ่อจะได้กล่าวอันดับแรกคือจะได้ เรียนให้คณะศรัทธา ญ, ญาติโยมรับทราบบางคนก็คงไม่ได้อ่านหนังสือประวัติของหลวงปู่ถิ่นของพวกเราแต่บางท่านอาจจะได้อ่านแต่อาจจะหลงลืมลื่นลางประวัติโดยสังเขปหลวงปู่ถิ่นของเราท่านเป็นพระครูสถิตธรรมวิสุทธิ์พระครูสถิตธรรมวิสุทธ์ หลวงปู่ถินทิตธรรมโมท่านเป็นชาวจังหวัดมุกดาหารนามเดิมท่านชื่อถินบุญยวันณนามสกุลของท่านบุญยวันณหลวงปู่เกิดเมื่อวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2459ขึ้น14ข่้าเตือน12ปีมะโรงบิดาท่านชื่อนายลอยบุญยวันณ เป็นผู้ใหญ่บ้านสีมงคลใต้สีมงคลเหนือสีมงคลใต้จังหวัดมุกดาหารมารดาท่านชื่อนางช่วยบุญยวันหลวงปู่ได้เรียนหนังสือในยุคสมัยนั้นตามยุคสมัยที่ท่านก็ได้เรียนแต่ความหวังของท่านหลวงปู่เราท่านยังท่านอยากเป็นขรรตาการนะในประวัติของท่านนะ ท่านอยากเป็นขราราชการเมื่อหลวงปู่อายุได้16ปียอมพ่อของท่านก็ได้นําไปเข้าวัดท่านก็ได้ไปอยู่วัดยอดแก้วศรีวิชัยจากนั้นท่านก็ได้บวชเป็นสมณีนเมื่ออายุาย16ปีพระอุปชายะอุปชานีนของท่านชื่อพระมหาแก้วรัตนปัญโย ในเมื่ออายุครบ20ปีหลวงปู่ได้บวชเป็นพระกับท่านเจ้าคุณสารพานโมโนุนีสมัยนั้นก็คือเป็นเป็นพระมหาเถระรุ่นใหญเ่เป็นเจ้าคุณเจ้าคุณสารพานโมุนีเนี่ยเป็นครูบาของเจ้าคุณธรมนะธรมะเจดีย์นกปู่ธรรมะเจดีย์ของเร า, เ, าเป็นครูบาเ่านั้นแหละเจ้าคุณธรรมะเจดีย์ของเราเนี่ย เป็นเนนเป็นเนนเป็นเนนของท่านเจ้าคุณสรารพานมุนีเป็นเจ้าคณะจังหวัดวัดเทพที่จังหวัดคนครพ่องท่านหลวงปู่ถิ่นของเราได้บวชกับท่านเจ้าคุณสรารพานมุนีในเมื่อบวชแล้วท่านก็สนใจใฝ่ในการประพฤติปฏิบัติธรรมอันดับแรกท่านก็ได้ไปศึกษาอยู่กับหลวงปู่ดีฉันโน หลวงปู่ดีชันโนเนี่ยเป็นลูกศิษย์รุ่นใหญ่ของหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นคุริทัโต้ตุ่ น, ร, นรุ่นกับหลวงปู่ฟัน่นหลวงปู่ฟัน่นหลวงปู่อ่อนหลวงปู่ใหญ่สมัยนั้นคือท่านหลวงปู่ดีชันโนเนี่ยเป็นพระมหาดิกายไปเป็นพระวัดบ้านแต่ท่านเป็นผู้ฉเฉลียวฉลาดสมัยนั้นเป็นนักการค้าคนหนึ่งของท่า น, นแต่ ตามที่ประวัติเพราะว่าหลวงปู่ดีฉันโ น, โนเนี่ยอยู่ใกล้ๆวัดหลวงพ่อนะใกล้ๆบ้านหลวงพอ่อพอหลวงพ่ออยู่จังหวัดมุกดาหารเหมือนกันแล้วก็อยู่อำเภอคําชะอีอันนี้ท่านอยู่อำเภอเลิงนกทาบ้านกุดแห่นะบ้านของหลวงปู่ดีฉันโนเนี่ยท่านก็ได้มาสร้างวัดป่าศิลาวิเวศอำเภอมุกดาหารแล้วก็หลวงปู่ถิ่นของเรา ท่านก็เป็นชาวอำเภอมุกดาหารบ้านสรีมงคลใต้กับ ว, กวัดศิลาวิเวกห่างกันไม่ถึงสองกิโลวัดศิลาวิเวกที่วัดหลวงปู่ดีชันโนไปสร้างกับคณะสงฆ์เพราะฉะนั้นหลวงปู่ถิ่นของเราเพื่อท่านบวชเป็นพระได้ยินว่ากิจศัพท์ของหลวงปู่ดีชันโนไปสร้างวัดป่าศิลาวิเวกวัดป่าศิลาวิเวกแห่งนี้ หลวงพ่อเนี่ยนะบวชที่วัดป่าชิราวิเวกเหมือนกันนะแต่เป็นรุ่นหลังแต่รุ่นของหลวงปูค่คำคำพิระยาโนเป็นพระอุปชาของหลวงพ่อหลวงพ่อบวชที่วัดป่าชิราวิเวกนะแต่หลวงปู่ถิ่นเมื่อท่านบวชแล้วท่านมาปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่ดีฉันโหนวัดป่าชิราวิเวกแห่งนี้เป็นวัดที่กว้างขวางแห่งหนึ่งของจังหวัดมุกดาหาร จากการท่านก็ได้ศึกษาธรรมะมากมายหลายอยา่างท่านในประวัติของท่านท่านว่าหลวงปู่ดีฉันโนเป็นพระที่เด็ดเดี่ยวเป็นพระที่แข่งพลัดในหลักพระธรรมวินยัยแต่ก่อนหน้านั้นท่านเป็นผู้มีคาถาอยู่ยงคงกระพันชาตรีว่ากันเป็นที่เรื่องลือในยุคสมัยนั้นพอท่านเข้ามาบวชเป็นสิทธิของหลวงปู่มัน่น ท่านก็เป็นผู้มุ่งมั่นในการปฏิบัติในการภาวนาจนเป็นเป็นที่ยอมรับของคณะสิทธิยานุสิ์หรือว่าเป็นรุ่นราวพาวเดียวกับท่าน <S <S เป็นที่รู้จักของพระสงฆ์ในยุคสมัยนั้นว่านหลวงปู่ดีชั้นโเนี่ยเป็นผู้เก่งทางกระสิน์ะเกระินหรือว่าพิเนหานทางกระสินเป็นที่ยอมรับกับพูดผีปีาศาจทั้งหลายนี่ ถ้าตรงไหนที่ว่าทำไร่ทํานาไม่ได้จะนิมนต์หลวงปู่ดีชันโนเนี่ยนะไปปราบผีว่างั้นอ่ะเอ่อลุงปู่ดีชันโนเนี่ยเรื่องลือเอ่ยี่ปอผีกะผีอะไรตัวมีอะไรเอ่ยีผีเป็ผีอะไรหลวงปู่ดีไปปราบทั้งหมดว่างั้นเถอะเป็นที่รู้กันว่าที่ไหนมันเออมันอาถรรพ์มันอาเพศมันผีเข็ดว่างั้นเถอะเขาจะนิมนต์หลวงปู่ดีชันโนเนี่ยนะ ไปปรับเพระงั้นเถอนี่แหละหลวงปู่ของเราหลวงปู่ถิ่นของเราก็ได้ไปศึกษากับหลวงปู่ดีชั้นโนเนี่ยจากนั้นท่านก็ได้ลงไปทางเมืองอุบลในประวัติของท่านจากนั้นท่านก็ได้กลับขึ้นมาท่านก็ป่วยช่วงหนึ่งจากนั้นท่านก็มาอยู่กับกลับขึ้นมาวัดป่าศิลาวิเวกสมัยนั้นหลวงปู่อุ่นหลวงปู่อุ่นทางนครพนมนไปอยู่ที่วัด วัดป่าศิลาบีเบกจากนั้นท่า น, าน ไ, ดได้ตามขึ้นมาตามขึ้นมามาอยู่กับหลวงปู่อุ่นที่วัดป่าบ้านจิกแห่งนี้ตั้งแต่บัดนั้นมาท่านก็อยู่มาตลอดเลยฟังๆดูแล้วในประวัติของท่านรู้สึกว่าท่านเป็นผู้มุ่งมั่นเป็นผู้ตั้งใจจริงท่านอยู่ที่ไหนท่านอยู่จริงนะสรุปก็คือไม่ทะเลทลัยเท่านั้นแต่ประวัติของหลวงปู่ท่านเป็นคนจริงจังและจริงใจเพราะนั้นท่าน วัดวัดบ้านจิกนี่สรุปแล้วก็คือท่านสร้างมากับมือของท่านทั้งหมดนะจนขึ้นถึงท่านละขันทิ้งขันที่วัดบ้านจิกแห่งนี้นะแต่หลวงพ่อจะนำเรื่องที่หลวงปู่ดีชันโนให้แก่พวกเราได้ฟังเป็นเรื่องขำๆเหมือนกันหลวงพ่อสมัยเป็นเนนนะหลวงพ่อก็อยู่แถบๆนั่นอนะ่พระลูกศิษย์หลวงปู่ดีชันโน เขาก็พูดพดให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อก็นึกขำๆเหมือนกันว่ากันเนี่เพราะนั้นอยากจะให้พวกเราขำๆเหมือนหลวงพ่อเลยที่ว่าเป็นยังไงวะกันนี่ยหลวงปู่ดีชันโนนี่ปราบผีว่างันเนีะยในคำว่าปราบผีเนี่ยเราก็ได้ยินเราก็นึกกลัวเลยนะผีใครจะไม่กลัวผีว่างันน่ยทีนี้บ้านกุดโจดอยู่ใกล้บ้านกุดแห่วันนั้นเหี่บ้านกุดโจดอยู่ใกล้บ้านกุดแห่ใกล้ๆกันแต่ไม่มีสมผานวัดบ้านว่างั้นเนี่ยตาย พอสมบานวัดบ้านตายทีนี้สมพานนี่เป็นเปลือกทีนี้เออเป็นเปลือกเอ่อคล้ายๆว่าเดินมุปป๊บมุ๊บมับมางันมุ๊บมุ๊บใหม่ใหว่ ง, งั้นเถะเออแปลว่าผ้าเนี่ยแตกนี้จากวัดหมดทีนี้ชาวบ้านก็กลัวแต่อพอกลางคืนขึ้นมาพอดึกๆสังกัดเนี่ยอจะขึ้นมาไอ้ตรงที่มันมีกุฏิสมพันเขาเออเขาเข า, เขาเรียกว่าอะไรกุฏิของสมพา น, นนะนะ แล้วก็มีที่มีที่ไหว้พระมีร้านพระมีมีหิ้งพระแล้วก็มีหนังสือใบลานอยู่ในจุดนั้นและจากนั้นก็มีห้องนอนแล้วก็มีประตูมีบันไดขึ้นมาสองข้างตอนนี้สมพานเป็นเปรตนะนีขึ้นมาทางโน้นขึ้นมาขึ้นมากลาวพระปลกๆอยจากนั้นคือ ข, ขึ้นไปกับว้าใบลานเหมือนกันไอเขาว่านะไอไ ย, ยิน คว้าไปลานมาแล้วก็ตบปุ่นไปดลานปกผักผกปักปกปักแล้วก็เดินควักแต่ว่าพรนะน่ยอยู่ไม่ได้ในวัดนั่นล้างเลยว่างันเถะเขาก็าจะทํำยังไงเห็นแต่หลวงปู่ดีฉันโนนี่แล้วที่จะไปปราบเปรดได้ไปปราบผีได้ทีนี้หลวงปู่ดีก็ที่ไหนแต่ว่ากั้นนะเท่านหลวงปู่ดีแต่ท่านไม่กลัวผีอยู่แล้วใช่ไหมที่ไหนแต่ว่าเอา้าเดี๋ยวจะไปจากนั้นท่านก็ไป ไปเขาทีมนต์ไปบ้านกุศโจบเมืนเน่อกันอ่ะพอไปถึงเสร็จแล้วก็มันเดือนมืดได้แต่นี่ยมันเดือนมืดจากนั้นท่านก็ขึ้นไปบอกกับพระเอ อ, เอนอนคนละมุมกันนะเมืนเน่อกันเราจะนอนนอนขวางประตูทางผีขึ้นในละให้ท่านไปนอนอยู่มุมข้างในเนาะกับพระลูกน้องของท่านเมืนเน่อกันอ่ะให้ท่านให้พระลูกน้องไปทุกทกันสองอค์เป็นภาพวาดใหม่เมืนเน่อกันอ่ะ ให้ท่านไปนอนอยู่ข้างในนะเราจะนอนอยู่ทางทางผีขึ้นมาเนี่ยท่านก็ไม่มีไฟฉายใช่ไหมล่ะมีแต่ไฟขีดธรรมดาเนี่ยที่นี้หลวงปูจ่จิหลวงปู่ดีท่านก็ไปนอนขวางประตูทางผีจะขึ้นผมมันก็มืดเข้ามืดเข้าทีนึงไอ้พระองค์ที่ไปด้วยก็ไปนอนอยู่ข้างในพอนอนเขาไปดึกสังัดเข้าไปหลวงปู่ดีท่านก็เงียบคก็บ <Hey. S 1> ทิ้งไปไอ้พระองค์ที่ไปด้วย hey. อาจารย์เขาเราไม่ใช่ขโมยหนีหรือเอนียวเงี้ยเลยปล่อยให้เรานอนอยู่คนเดียวเลยตัวเองขโมยหนีแล้วก็ไม่รู้เนี่ยนอนเงียบแล้วเกินเหนียวเงี้ยอ<น>งค์นี้ก็กลัวผีขึ้นอย่างขนาดหนักกว่างั้นแต่องค์ที่ไปด้วยเนี่ยกลัวผีว่าอาจารย์ขโมยหนีแล้วจะทํำยังไงตัวเองตัวเองอยู่อยู่ข้างในไงทีนี้ก็เอเราจะทํำยังไงองค์นี้ก็ค่อยๆ ค, ค, ค, คานไปหาอาจารย์มาเงี้ยแต่คานๆไปหาหลวง ป, ปู่ดีมาเงี้ยแต่ ไอ้หลวงปู่ดีก็ตั้งข้าว่าถ้าเปดมาก็จะเตะเปดเลยแล้วกันเถอเอ่อเตียมท่าไปแล้วกันเป็นนอนขวางทางเป็ด ม, มันจะขึ้นมางหมือนองนี้ก็เห็นว่าอาจารย์ตัวเองมันเงียบเลยเกินทาท่าเก่งแต่กลางวันมั้งอาจารย์ว่ากันเพราะตกกลางคืนมาคงจะหนีแล้วว่ากันคืดในใจนะในพระองค์นั้นจากนั้นองค์นี้ก็ค่อยคานสีขาไปว่ากันเอะเออค่อยคานไปคานไปพอไปไปก็ไ ป, ไ ป, ไ ป, ไปคำค ำ, คำดูอาจารย์ว่า อไปคำคำดูอาจารย์ว่าอาจารย์จะอยู่หรือไม่เหมือนกันเนี่ยไปใครพออาจารย์ไปตุกขาอาจารย์นั่นนะ่ะอาจารย์ก็ว่ามาเป็ดมัมาจับขาใช่ไหมละ่ะอาจารย์ก็เตะทั้งแรงเลยวหมือนนใสา่คว้าเลยอกร้องโอกเลยวหมือนนลูกศิษย์เหมือนนพอร้องกอกอ้าวท่านมาอะไรโว้ยผมคิดว่าท่านอาจารย์ขโมยนี้จะผมพอแรงเหมือนกันผมก็กลัวผีเหมือนน ผมก็เลยคานมาหาอาจารย์ให้เหล่านั้นว้าเตะกันตัวนี้พวกงั้นไม่ใช่เตะผีเลยนี่พวก น, น, นั้นนี่แหละนี่ะจากนั้นมาก็เลยเป็นเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาไปพูดที่ไหนล็อกปู่ล็อกปู่ดีเตะผีพวกนั้นเถิปราบเปรตพวกนั้นเถิบ้านกุดโจดพวกนั้นเหลวงพ่อได้ยินหลวงพ่อกระเข้มเหมือนกัน น, นี่แหละอันนี้ก็เป็นเรื่องเป็นราวเนีย่ยครูบาอาจารย์ยุคสมัยเก่าฮะนี่แหละ หลวงปู่ของเราก็ท่านได้ปศึกษากับหลวงปู่ดีเนี่ยปีที่สองปีน่ยจากนั้นท่านขึ้นมาดรของเรานะเนี่ยคือประวัติสังเขปประวัติย่อแต่ท่านหลวงปู่ของเราเนี่ยเป็นนักก่อสร้างนะสมัยนั้นไม่มี ใ, ใครที่จะสร้างโบสถ์สองชั้นนะเนื้อหายากมากแต่หลวงปู่ของเราเนี่ยท่านเรียนจากวิศวะจากที่ไหนมา ง, งั้นเหรอท่านเรียนท่านรู้ท่านสร้างได้ท่านมีหัวในการก่อสร้างเป็น ให้เขาแบบมีชาวในการก่อสร้างแล้วก็จากนั้นท่านก็เป็นผู้มุ่งมั่นเป็นผู้ปฏิบัติจริงปฏิบัติจตามประวัติของท่านอันนี้ก็พวกเราควรจะยึดเป็นตัวอย่างเหมือนกันขอให้พวกเราลูกหลานทุกคนที่ได้ศึกษาได้มาเป็นลูกศิษย์ลูกหาเขาองค์หลวงปู่นับว่าหลวงปู่ของเราเป็นพระเถระมหาเถระผู้ใหญ่หน้าเคารพกราบไหว้สักการบูชาท่านหนึ่ง ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นปพระที่สุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติโคงเส้นโคงวาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นถนะ้าตอนนี้ไปหลวงพ่อจะแสดงธรรมแล้วนะทินินะถาว่าผู้ใดจะถ่ายรูปอย่าอย่าถ่ายแฝดนะทินินะแหงดไว้ก่อนนะเื่องถ่ายแฝดแล้วกผู้ใดมีโทรศัพท์ดังขึ้นอย่ามาพูดตรงหน้าหลวงพ่อให้ไปพูดข้างนอกนะ เพราะว่าถ้าว่าใครพูดโทรศัพท์ขึ้นมาใกล้ๆหลวงพ่อไม่ได้นะพูดแข่งหลวงพ่อไม่ได้หลวงพ่อเนี่ยเป๋จะพูดไม่ได้เลยเพราะเหตุใดพหลวงพ่อเป็นพระป่าแท้ๆเลยวันนั้นเนี่เป็นพระป่าผ้าดงถ้าว่ามีเสียงอะไรรบกวนเนี่ยหลวงพ่อจะพูดไม่ออกพูดไม่ได้แสงแฝดเหมือนกันถ้าเข้าตาหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อจะพูดไม่ออกเหมือนกันวันนั้นขอคณะรทา ย, ยาทโยมได้รับทราบ พ, พ, พร้อมกัน และก็พร้อมกันก็ทำเงิหลวงพ่อเทศจบลงไปแล้วผู้ใดอยากจะถ่ายรคหลวงพ่อก็ไม่ว่าไม่ไม่ห้ามไม่หวงพอมาสู่ชุมชนสังคมแล้วแต่ถ้าว่ากำลังพูดกำลังแสดงทำอยู่นั้นขอให้บดไว้ก่อนนะนะโมตัสระโควะโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะ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 ข้าคณะศรัท ธ, ธาญาติโยมลูกหลานองหลวงปูนถิ่นวัดบ้านจิกของเราแห่งนี้หลวงพ่อว่าวัดบ้านจิกเลยนะแต่วัดทางการของท่านก็มีชื่ออยู่แต่พวกเราเคยเรียกกับวัดบ้านจิกในเมืองอุดอรหลวงปูนถิ่นของเราก็เป็นหลวงปูชื่อของท่านเลยแต่ว่าชื่อพ่อครูของท่านก็ว่าพ่อครูสถิต ทำวิสุทธิ์หลวงปู่ถิ่นที่ตักธรรมโมอันนี้ก็คือชื่อทางการของท่านชื่อจริงของท่านแต่พวกเรากราบว่าหลวงปู่ถิน่นนะหลวงปู่ใหญ่และกระจาะฉะนั้นวันนี้พวกเราได้มาทมาร่วมกันทำบุญครบรอบห้าปีที่หลวงปู่ได้มรณะภาพถึงหลวงปู่จะมรณาภาพไปถึงหปี แต่เหมือนกับหลวงปู่จากไปพวกเราไปไม่นานเพราะเหตุไรเพราะพวกเรายังรักเคารพนับถือหลวงปู่เหมือนกับเป็นร่มโพร่มไทรของพวกเราอยู่ถึงหลวงปู่จะจากไปถึง5ปีก็เหมือนกับประเดียวประดาเพราะเหตุไรเพราะหลวงปู่ได้แสดงธรรมหรือว่าเนตได้แนะนำสั่งสอนคุณงามความดีแนะนำศีลธรรมจริยธรรม อยาที่ดีให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาเพราะศีลธรรมจริยธรรมที่หลวงปู่เนี่ยแนะนำไปนั้นอยู่ในจิตในใจของพวกเราเพราะนั้นหลวงถึงหลวงปู่จะจากไปแต่ศีลธรรมที่หลวงปู่ได้ฝังได้ฝากไว้กับพวกเรายังอยู่ในจิตใจของพวกเราเพราะนั้นวันนี้ได้พบรอบห้าปีวันที่ยี่ิกวันพรุ่งนี้เป็นวันที่ ครบรอบวันมรณภาพขององค์หลวงปู่คนนั้นพวกคณะเจ้าทาญาติโยมลูกหลานที่เคารพนับถือองค์หลวงปู่จึงไในพร้อมกันมีความพร้อมเพียงสมัคคีเป็นเอกฉันลําลึกถึงองค์หลวงปู่ถึงหลวงปู่ท่านจะเป็นไปจุตินิพพานไปแล้วแต่คุณงามความดีของหลวงปู่ยังฝากฝังอยู่ที่จิตใจของพวกเราท่านทั้งหลาย เหมือนกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะปฏินิพพานไปนมนานแล้วก็ตามเข้าสู่นิพพานแล้วก็ตามแต่พอถึงวันวิสาขาบูชาวันมาฆบูชาหรือวันสําคัญพวกเราก็ยังกราบพล้ำลึกถึงพระพุทธเจ้าเหมือนกับพระพุทธเจ้าอยู่ต่อหน้าของพวกเราท่านทั้งหลายเพราะเหตุไรเพราะว่าทำคําสอนของพระพุทธเจ้าพวกเราพล้ำลึกถึงเวลาไหนก็มีคุณค่ามีประโยชน์สําหรับพวกเรา เพราะนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ห่างไกลจากพวกเราเพราะพระพุทธเจ้าพระทามคาสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในจิตใจของพวกเราเพราะพระพุทธเจ้าได้ตรัสได้หบอกกล่าวไว้ว่าเมื่อเราตถโคตผ่านไปแล้วธรรมและวินัยนั่นแหลจะเป็นศาสดาของพวกท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นพวกเรายึดทำคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาแทนพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเหมือนกับพระพุทธเจ้า อยู่ในใจหรืออยู่ในต่อหน้าของพวกเราท่านทั้งหลายนี้ก็เหมือนกันหลวงปู่ถิ่งของพวกเราถึงท่านจะล่วงลับดับขันไปแล้วก็ตามแต่คุณงามความดีที่หลวงปู่ได้ฝากไว้กับพวกเรายัางตรึงตาตึงใจของพวกเราอยู่พวกเราล้ำลึกถึงเวลาใดก็เราพวกเราก็ยกมือไหว้กราบคารวะองค์หลวงปู่นี่แหละอันนี้ก็คือที่ให้พวกเราถึงหลวงปู่จะล่วงลับไป การจัดงานแต่ละครั้งก็รู้สึกว่าพี่น้องประชาชนให้ความรักเคารพนับถือแน่นหนามากมายอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นเพราะนั้นขอให้พวกเรายึดหลักนี้เป็นหลักพวกเราต้องมีครูบาอาจารย์อย่างประวัติของหลวงปู่อย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเบื้องต้นหลวงปู่บวดเข้ามาแล้วหลวงปู่ก็ยังยึดครูบาอาจารย์เป็นแนวทางเป็นแนวปฏิบัติ ทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีครูต้องมีอาจารย์ต้องเป็นต้องมีผู้แนะนําสั่งสอนจากนั้นถึงท่านจะมาอยู่ที่วัดบ้านจิกนี้พอเถอะท่านก็ยังนับถือเลื่อมใสเคารพนับถือหลวงปู่อุ่น เ, ออเป็นแนวทางเป็นกระจกเงาของท่านเป็นผู้แนะนําสั่งสอนท่านให้ความเคารพหลวงปู่อุ่นที่เป็นครูบาอาจารย์ของท่าน อ, อ, อย่างมากนี่แหละก็คือแนวทางที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ว่าใหญ่กับพ่อคอกับครู ผู้ใดก็ตามถ้าใหญ่พอโลกพราหาขึ้นมาโดยไม่มีครูบาอาจารย์บางทบางีบางสิ่งบางอย่างก็ออกนอกลู่นอ ก, ก, นอกทางเหมือนกันนะคล้ายๆว่าคล้วาความคิดของตนเองคิดยังไงก็ปฏิบัติหรือทาไปอย่างนั้นแต่ถ้าว่าอยู่กับครูบาอาจารย์อยู่กับพ่อคอกับครูใหญ่กับครูบาอาจารย์เวลาครูบาอาจารย์พาดำเนินอย่างไรพวกเราก็ได้มองครูบาอาจารย์ ว่าครูบาอาจารย์ไม่เคยทํานะอย่างนี้ท่านเคยห้ามนะอย่างนี้แหละพวกเราก็จะได้ปฏิบัติตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เคยประพฤติปฏิบัติมาดูแล้วก็จะสวยงามาถูกกับโลกสมมุติเพราะว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผ่านาได้กันกรองมาหลายยุคหลายสมัยแล้วท่านจึงได้นํามาแนะนําสั่งสอนพวกเราอันนี้ก็ขอให้พวกเราทุกๆกท่านายึดแนวแถวที่ พ่อแม่ครูบาอาจารย์พาปฏิบัติมากแล้วก็วันนี้เป็นวันที่25กรกดา53วันพรุ่งนี้เป็นวันอัสสรหบูชาเป็นวันพระใหญ่เป็นวันอุโบสถเป็นวันที่เป็นวันสําคัญยิ่งวันหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาเพราะว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประกาศพระศาสนาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อุบัติขึ้นในโลก ครบสรัตนะครบสารัตน ะ, ะ, ะคือพระพุทพธเจ้าถ้ารำรประสงค์เกิดขึ้นในโลกเพราะพระพุทธเจ้าได้ตัดรู้พระธรรมในวันเดือนหกเพนพระองค์ได้เมื่อได้ตัดรู้แล้วพระองค์ก็ได้สวยวิมุติสุขในบริเวณต้นโปที่พุทธคยาหลายสัปดาห์เหมือนกันจากนั้นพระองค์ก็ได้เดิน มองเห็นปัญจวัคคีย์ทั้ง5้าเพราะว่าท่านไปศึกษากดาบทท่านจะไปอบปรมแล้วไปได้ทำแล้วท่านจะไปบอกกล่าวดาบ ท, ที่ท่านได้ไปศึกษาพอไปดูแล้วดาบท่ทานส่งกระแสจิตไปแล้วดาบทัท้งสองท่านมาณะภาพแล้วขึ้นไปสู่พรมแล้วท่านก็ไม่ไม่ไปไม่ไปโปรดดาบ ท, ทั้งสอง ท่านก็มองไปเห็นปัญจวคขีทั้ง5้าโกนธัญญาวาะปะัติยะมหานามะอจชิอยู่ในแขวงกลุ่มพลานัสีพระองค์ก็ได้เดินไปโปรดปัญจวกขีทั้ง5้าที่แขวงกลุ่มพลานศัศีคือเดินมาเนี่ยวั น, นเนี้ยวันพรุ่งนี้แหละพอเดินมาถึงแล้วท่านก็ได้เทศนาวาการให้แก่ปัญจวกขีทั้ง5คือโกนธัญญวะวาปะัติยะมหานามะอจชิคือปัญจวกขีทั้ง5 เพระองค์ได้เทศนาทำมาจากกระปวัตนสูตรคือสูตรที่เป็นเบื้องต้นที่พระธรรมคำสอนที่เป็นสูตรที่ประกาศเป็นครั้งแรกที่ประกาศทำครั้งแรกคือทำมาจากกระปรวัตนสูตรไม่เมื่อกําลังแสดงธรรมพระองค์ก็แสดงไปเรื่อยๆพระองค์ก็บอกว่าการประพฤติปฏิบัตินั้นถ้าว่าทําให้ยอ่อหย่อนก็เรียกว่าการมาสุขันลิกา ถ้าปฏิบัติแข่งตึงเกินไปเรียกว่าอัตกระมาฐาให้ปฏิบัติตรงกลางคือมัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางแต่ว่าทางสายกลางตัวนี้ตรงไหนที่มันเหมาะก็ให้สังเกตตนเองเหมือนกันนะถ้าว่าตัวเองว่าจะว่าว่ามันตึงแต่ตามเป็จริงมันหย่อนพอแรงก็มีบางทีเราก็ว่าสายกลางแต่มันหย่อนก็มีแต่ถ้าว่า มัชชิมาเนี่ยมัตรงไหนมันพอเหมาะใให้ดูตนเองเหมือนกันอันนี้ต้องศึกษานะไอ้มัชชิมาตัวนี้ต้องศึกษาจากนั้นพระองค์ก็ได้เทศให้แก่ปัญจวคีทั้งห้าฟังอัญญาโกนัญยะได้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมในวันเดือนนี่แหละในวันอชาระหาบูชาเนี่ยในวันเดือนแปดเพนเนี่ยพระพุทธองค์ตรัสว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็ต้องดับให้เข้าวัด เกิดแล้วก็ต้องดับศาลาหลังนี้เกิดขึ้นมาแล้วอีกสักวันหนึ่งศาลาหลังนี้ก็ต้องแตกสลายต้องลงในที่สุด เ, เป็นอนิจจังจะไม่เที่ยงแท้แน่แ น, นอนไม่ถึงพันปีว่างั้นกูง่ายๆสาลาหลังนี้ก็ต้องพังอะไรก็ตามถ้าเกิดขึ้นมาแล้วสิ่งนั้นก็พร้อมที่จะแตกสลายเหมือนกันนี่แหละทุกสิ่งทุกอย่าง พระองค์พระพุทธองค์บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมาแล้วสิ่งนั้นต้องแตกสลายในที่สุดพระอัญญาโกลทันยะเห็นอันนี้จักคือของไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างร่างกายของเราในเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องตายในทุกคู่ทุกคนเกิดมาแล้วจะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายได้อย่างไรก็ต้องถึงจุดจบเมื่อพระองค์ได้สแสดงธรรมเพียงเท่านั้นอัญญาโกณทันยะก็ได้สําเร็จพระสูดาบัตในเมื่อท่านได้สําเร็จพระสูดาบัตพระพุทธองค์ ก, ก็รู้ว่า อัญญาโกนธัญะได้สําเร็จพระ ส, สูดาบันแล้วพระพุทธ อ, องค์ก็ค่อยๆว่าพอพระไทยหรือพอใจพระพุทธองค์ตรัสว่าอัญญาสิวัตโพโกนธโยัญญ า, าสิวัตโพโกนธโยโกนธัญญะรู้ธรรมแล้วหนอเห็นธรรมแล้วหนอคะค่อยๆว่าพระองค์ก็พอพระไทยในการแสดงธรรมแต่กอนพระองค์ก็ไม่รู้ว่าจะแสดงธรรมเนี่ยจะเขาจะรับเขาจะรับได้หรือไม่เขาจะเข้าใจหรือไม่ ที่พระพุทธองค์ได้แสดงไปเนี่ยแต่พอพระองค์แสดงไปอัญญาโกณฑัญญะก็รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมเป็นท่านแรกจากนั้นพระองค์พระอัญญาโกณฑัญญะก็แสดงตนและขอบวชในพระพุทธศาสนาว่าข้าพระองค์ขอขอบวช ใ, ในจํานักของพระพุทธายาพระพุทธองค์ก็บวชให้อัญญาโกณฑัญญะบวชเป็นองค์แรกเป็นพระองค์แรกบวชตัวเอหิภิกขุบวชตัวเอหิภิกขุก็คือ พอพระอัญญาโกณทัญยะแสดงความจำนงว่าจะบวชพวระพุทธองค์ก็บอกท่านก็ประ ก, กาศบอกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดทำเรากล่าวดีแล้วท่านจงประพฤติพรมมาจันทร์พระพุทธองค์ตรัสเพียงแค่นั้นพระอัญญาโกณทันยะก็เป็นพระสมบูรณ์เลยบริขารลอยมาจากนั้นพระพระัญญาโกณทันยะก็ได้บวชในพระพุทธศาสนา วันนี้วันพรุ่งนี้แหละเป็นวันที่ว่าสำคัญยิ่งคือพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกและก็ได้ตัดสรุปพระธรรมคือคําสอนจากนั้นพระองค์ได้นำธรรมคําสอนมาประกาศมาเผยแผ่มาบอกมาแนะนําสั่งสอนพระปัญจวคีทธาหะพระอัญญาโกลทะยะก็ได้บรรลุธรรมได้บรรลุธรรมในวันเดือน8เพ็ญ น, นี้จากนั้นพระสมเกิดขึ้นมาในโลก จึงถือว่าเป็นวันสําคัญพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสมบัติขึ้นในโลกคือไตรพระไตรสรนคมสมบูรณ์บริบูรณ์นี่แหละจึงถือว่าเป็นวันสําคัญแต่วันต่อไปที่หนึ่วันที่27วันรุ่งขึ้นเดือวันเลยจากวันที่26ไปวันนั้นเป็นวันเข้าพรรษาเป็นวันเข้าพรรษาของพระสงฆ์พระพุทธเจ้าบัญญัติประกาศพระศาสนานมนานต่อมา พระสงฆ์ก็มากขึ้นทีนี้พอพระสงฆ์มากขึ้นพระสงฆ์ทั้งหลายก็เดินทุ่งไปในสถานที่ต่างๆเดินทีละ500บละ 1, บอบ้างทีละพันบ้างหรือมากกว่านั้นบ้างเดินไปแล้วก็ไปเหยียบยำ่ำคันนาของเขาคนเป็นพันใช่หไหมเหยียบคันนาของเดินไปที่ไหนก็เป็นทางไปหมดคันนาของเขาแหลเกเลวไปหมดทีนี้ชาวบ้านเขาก็เลยติเตียนบอกว่าสัมพณะสากย่ำหมด ไม่อยู่เป็นที่เป็นทางเดินทั้งแรงทั้งฝนเขาเลยโพลธนาติเตียนพระสงฆ์ทั้งหลายได้ยินอย่างนั้นเลยมากราบพูลพระพุทธเจา้าพระพุทธเจา้าได้ทรงบัญญัติวินัยพระองค์บอกว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปในเมื่อถึงเดือนแปเพลนให้ภิกษุสงฆ์ทั้งหลายจําพรรษาถ้าว่าองค์ไหนไม่จําพรรษาปรับอวัตถุ ก, กฎนะเพราะฉะนั้นจึงมีการจําพรรษาในวันเดือนแปดเพลนเพราะฉะนั้นพระสงฆ์ ในอยู่ในพระพุทธศาสนาจึงมีการจําพรรษาสามเดือนไม่ให้ไปที่ไหนเพราะว่านี่แหละเป็นเหตุคือชาวบ้านเขาติเตียนนะพระองค์ก็เห็นชาวบ้านเขาติเตียนพระองค์ก็รับนะท่านก็มาได้ติเตียนชาวบ้านนะเพราะว่ามันเป็นพิษเป็นภัยจริงๆพระสงฆ์เดินเหยียบคันไร่คันนาเหยียบฟัชพืชของเขาเหยียบพืชไร่ของเขาพืชที่นาของเขาฮะเพราะนั้นพระ อ, องค์บัญญัติวินัยจากนั้นพระสงฆ์ก็ได้ จำพรรษาเป็นหลักแหลนั่นแหละตอนี้เมื่อพระสงฆ์จำพรรษาเป็นหลักแหลงพระสงฆ์ก็มีโอกาสที่จะภาวนาของท่านอย่างพระจักคุบาลอย่างนี้พอเข้าพรรษาท่านบ่านออในพรรษานี้เราจะเอาอริยบทสคือยืนเดินนั่ง เ, ออเราจะไม่นอนเด็ดขาดในพรรษานี่อันนี้ก็คือพระท่านเร่งความภาคเพียนอะไรนนีออ้มีมากออมาถึงยุคสมัยนี้ก็เถอะ ก็มีบางองค์ท่านก็ตรอดตรมาสามเดือนท่านก็เอาอริยบทสามก็มีคือไม่นอนในพรรษาหรือบางองค์ท่านก็ไม่นอนเฉพาะวันพระ 5, 5, 5แ8ดค่ำสิบห้าค่ำจะถือในชัดซิอย่างนี้อันนี้ก็คือการประพฤติปฏิบัติของพระสงฆ์จนจนถึงมาถึงยุคสมัยนี้เพราะนั้นหลวงพ่ออยากจะบบอกกล่าวหรือว่าแนะนำคณสัตยายายมอีกเหมือนกัน เมื่อพระจำพรรษาท่านก็ขัดเกลากลายวาจาของท่านให้แค่ว่ากายวาจาใจของท่านให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมจริยธรรมหรืออยู่ในทุตุลขวัตของท่านแต่คณะศรัทธา ญ, ญาติโยมอย่างพวกเราท่านทั้งหลายจะใช้ยังไงให้เกิดประโยชน์ในการเข้าพรรษาไม่ใช่ว่าเดือนวันคืนเดือนปีผ่านไปผ่านไปเข้าพรรษาปีนั้นก่อน ไม่ได้สนใจเข้าพรรษาปีที่ผไม่สนใจผ่านไปเรื่อยๆพวกเราไม่ได้คิดอะไรเลยอันนี้หลวงพ่อบอกไม่น่าจะถูกนะขอให้พวกเราคณะตตาญาณรวมคิดดูว่าพรรษาที่ผ่านผ่านมาเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่พรรษานีนะ้ที่จะถึงเนี่ยที่หลวงพ่อได้กล่าวเตือนหรือย้ําให้แก่พวกเราให้สํานึกไวนะ้น่ะหลวงพ่อบอกว่าในพรรษาที่จะถึงเนี่ยวันพุ่งนี้มาลือเนี่ย พวกเราจะยึดอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นเครื่องเป็นเครื่องยึดทางด้านจิตใจคือพวกเราจะรักษาสินห้าตลอดไตรมาสสมเดือนได้ไหมเราจะรักษาศินอุโบสถทุกวันพระได้ไหมหรือเราจะรักษาศิลอุโบสถตลอดไตรมาส3เดือนรักษาศินแปดเดือนได้ไหมหรือว่าเราจะใส่บาทตักบาททุกวัน ได้ไหมหรือเราจะตักบาตรทุกวันอาทิตย์ได้ไหมหรือว่าเราจะตักบาตรทุกวันพระไม่ให้ขาดในพรรษาได้ไหมหรือเราจะไหว้พระทุกวันไม่ให้ขาดกราบพระไหว้พระทุกวันอันนี้สําคัญนะหลวงพ่อว่าเพราะเราเป็น พ, พุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเป็นชาวพุทธคุณนับถืออะไรคุณนับถือาศาสนาอะไร เราเรียกตอบทันทีศาสนาพุทธนะแต่ตามไม่จริงพุทธของเราเนี่ยไม่เคยกราบไหว้เวลานอนก็นอนไปเลยไม่เคยกราบเพราะพุทธได้เจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่น้อยมากพอมาเห็นมาเข้ามาวัดจะกราบสักครั้งหนึ่งปลุกปลุก3ามครั้งเวลากราบก็ไม่รู้ว่านึกคิดเรื่องอะไรก็ไม่รู้ถ้านึกคิดกับพุทโธธรมโมสังโฆอย่างนี้ก็คงจะเป็นิลีเป็นมงคลบางทีก็กราบสาครั้งเนี่ยบอกให้กราบ3าครั้งไม่รู้ว่ากราบอะไรกราบ3ามครั้ง ตามไม่ยิงต้องกราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์จึงจะถูกนะแนะนำว่าให้กราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์นะแต่นี้พวกเราบอกลูกบอกหลานกราบ3ครั้งลูกหลานก็ไม่รู้จะใดที่กราบ3ามครั้งกันเหมือนกับเหมือนกับรัฐมนตรีไปทอดกรถินทอดผ้าป่าดท่านรัฐมนตรีเอาตะกาวคําถวายกระถิ่นว่านโมสามจบ ท่านนัตโมนตรีก็ไม่เคยเข้าวัดเขาวาใช่ไหมไอ้ท่านก็ว่าอ้าวพ่อกล่าวว่านัมโมสามจบท่านกว่านัมโมสามจบคืออะไรแต่หนังสือก็ อ, อยู่ในมือเขาว่านัมโมสามจบอยู่ในนั้นท่านก็ว่านัมโมนัมโมนัมโมเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละแอบบอกให้ลูกให้ห ล, ลานว่ากราบสามครั้งถ้าว่าเราบอกให้กราบสามครั้งเอมีความหมายว่าะอะไรเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราลูก ศรัทธาญาติโยมทุกท่านนะเวลาบอกแนะนําสั่งสอนให้กราบพุทโธทำโมสังโคเนอร์นอันนี้มันจึงจะถูกหลวงพ่อว่านะไม่ใช่กราบสามครั้งเฉยๆนะอันนี้เวลาเราเป็นพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทหลวงพ่อว่าก่อนจะหลับนอนนี่ก่อนที่จะนอนเมื่อทํากิจระพฤกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก่อนจะนอนเราควรจะปิดโทรทัศน์วิทยุโทรศัพท์ ให้เรียบร้อยซะ ก, ก่อนไม่ให้มันกวนเหมือนกันจากนั้นเราคือจริงๆ จ, จะไหว้พร ะ, ะกราบ พ, พุทโธธรรมโมสังโฆแล้วกราบที่หัวนอนของท่านของเราก็ได้พราะพระพุทธเจ้าอยู่ทุกแห่งทุกหนอยนั้นเรากราพุทโทธรทมโมสังโฆพอกราบเสร็จแล้วแล้วก็ไหว้พระ阿拉หั์สัมมาสัมพุทโธสวาคาโตสุปฏิปันโนจากนั้นก็ พ, พุทธังนัโมตัสส ะ, ะนัโมตัสส ะ, ะ, ะข้าพเจ้าขอรอกน้อมแด่พระผู้มีพระภาค เราหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นอันนี้คือนะโมจากนั้นกับพุธทธังทำมังสังขังสรรนางคัฉามิดุติยมปิพุทธังทำมังสังขังสรรนางคฉามิตติยัมปิพุธทธังทำมังสังขัาาตต ง, งสรรนางคฉ า, ามิยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรรนะเป็นที่พึ่งจากนั้นเราก็แผ่เมตตาเท่นี่ อ, อ, อันนี้คือหลวงพ่อจะแนะนําว่าชีวิตประจําวันของพวกเราในพรรษาเนี่ย จะทำยังไงหลวงพ่อว่าให้แผ่เมตตาคนที่มีเมตตาอยู่ในจิตใจหลับและตื่นเป็นสุขไม่มีพิษมีภัยกับผู้ใดเวลาไปที่ไหนก็ไม่เป็ น, ปนไม่เป็ น, ไ ม, ปนไม่มีเวรมีภัยกับผู้ใดเพราะเรามีเมตตาในจิตใจของเราเวลาเราไหว้พระเสร็จแล้วเราไม่ต้องว่าอาหารสุกิโตโฮมินิตุกผโผโหมิอเวโรโหมิเราไม่ต้องพูดนะ เพราะว่าเราพูดขึ้นมาแล้วก็เราก็าากแปลไม่ได้เราเราแปลไม่ได้เราพูดภาษาใจของเราจะดีกว่าหรือว่าจะพูดก็กได้นะจะพูดอาหารสุขิโตนิจโฉวสัพเพตตาสุขิตาอโณตุนะก็จะพูดก็ได้แต่หลวงพ่อว่าถ้าพูดไม่ได้นะถ้าพูดไม่ได้เราพูดเป็นภาษาใจของเราเลยเข้าพเจ้าขอแผ่เมตตานะพูดอย่างนั้นนะข้าพเจ้าขอเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายต่อดวงวิ ญ, ญญาณทั้งหลาย ทั่วไตรโลกธาตุข้าพเจ้าต้องการความความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นทั่วไตรโลกธาตุก็ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาด้วยเทินอันนี้ก็คือเราแผ่เมตตาเป็นภาษาใจของเราจากนั้นก่อนพอแผ่เมตตาถ้าเราจะนั่งสมาธิเราก็นั่งสมาธิต่อเลยทีนเราฝึกหัดดูสิสมาธินี่เป็นผลดี กับเราท่านทั้งหลายถ้าคนมีสมาธิดีแล้วสมาธิเนี่ยนะจะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจคนที่มีหลักยึดทางด้านจิตใจจิตใจ จ, จะมั่นคงจิตใจจะไม่วอกแวกบจิตใจจะไม่ววาดเวอ้างว้างเงียบเหงาซึมเศรา้านิสัยซึมเศร้าจะไม่มีถ้าคนมีสมาธิในจิตใจเพราะฉะนั้นฝึกสมาธิเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างยิ่งสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายแต่พวกเรา มีแต่สวดแสวงหาทรัพย์อย่างเดียวไม่เคยฝึกหัดไม่เคยสวดแสวงหาทรัพย์เข้าสู่จิตใจไม่เคยหาอาหารเข้าสู่จิตใจมีแต่หาอาหารเลี้ยงร่างกายแต่อาหารใจพวกเราไม่ค่อยสนใจเพราะไม่รู้จักวิธีอาหารเข้าสู่ใจเพราะนั้นเรื่องสมาธิเนี่ยเป็นเรื่องที่อาหารเข้าสู่จิตใจเพราะนั้นขอให้พวกเรา ท, ทุกท่านนะที่เป็นพุทธมามกะพุทธบริษัท เป็นชาวพุทธเต็มเป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นสาวกของพระพุทธเจา้าขอให้พวกเราเมื่อไหว้พักเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายเมื่อขาขวาทับขาซ้ายแล้วเราประนมมือขึ้นในระหว่างอกซะก่อนอันนี้คือหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระกรรมฐานท่านแนะนําลูกศิษย์นะอย่างหลวงพ่อเนี่แหละท่านแนะนํา บอกเวลานั่งขัดสมาธิเสร็จเรียบร้อยแล้วขาขวาทับขาซ้ายเรียบร้อยแล้วให้ประนมมือขึ้นในระหว่าง อ, อกให้ไหว้ครูสะก่อนคือระลึกถึงพระพุทธเจา้าพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรมโมสังโฆสามจบจากนั้นเอามือลงไปพอเอามือลงขึ้นมาแล้วเรากําหนดลมหายใจเข้าหายใจเข้าพุทหายใจออกโธ แต่ถ้าว่าเราฝึกหัดใหม่เรายังไม่รู้ว่าลมมันเข้ายัางไงมันออกอยังไงเราให้กําหนด เ, เราหายใจแรงๆดูให้จายใจแรงๆสักเฟื่เฟื่อยสองสาครั้งหายใจออกแรงหายใจเข้าแรงสักสอสามครั้งจากนั้นเราก็ค่อยผ่อนผ่อนผ่อ น, ผ, อนผ่อนลงแล้วลมกระทบที่ไหนที่ปลายจมูกนะที่ชานจมูกที่ปลายจมูกเราเอาสติจับจุดตรงนั้น วิธีการกําบดลมนะ เ, เวลาหายใจเข้าพุฒมันก็เย็นมันกระทบเข้าไปมันรู้สึกมันเย็นเราก็บริกรรมว่าพุฒ เ, เวลาหายเวลาหายใจออกเราก็บริกรรมว่าโถนี่แหละวิธีการปฏิบัติภาวนาถ้าเรารู้จักวิธีแล้ง่ายนะถ้าเปรียบเทียบเหมือนเรายืนยืนอยู่ข้างประตนะเูเวลาคนผ่านเข้ามาเราก็รู้ว่าคนผ่านเข้ามา แต่ลราไม่ต้องเดินตามเข้ามาไม่ต้องเดินตามคนเข้ามานี่ก็เหมือนกันเวลาลมผ่านเข้ามาในจมูกของเราไม่ต้องตามลมเข้าถึงท้องของเราเพียงแต่ว่าลมผ่านบริกรรมว่าพดเวลาลมผ่านออกไปบริกรรมว่าโถไม่ต้องตามลมออกไปแล้ไม่ต้องตาม ล, ออล ม, มลเข้ามาถึงท้องตัวเองนะไม่ต้องตามลมเข้ามาถึงปอดว่างั้นะเพียงแต่ว่าใหม้มีสติอยู่ที่ปลายจมูกเท่านั้นแหละอันนี้เราวิธีการปฏิบัติ นนี่คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลงตาหลวงปู่ต่างๆที่ท่านแนะนำสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาของท่านนี่แหละวิธีกำหนดภาว น, นาให้ปฏิบัติอย่างนี้จากนั้นถ้าว่าจิตใจของเรามันยังโป่งฟุ้งออกไปข้างนอกอยู่มันไม่อยู่มันต้องมันต้องมีหลายวิธีเพราะพระเจ้าท่านวางกรรมาฐานไว้ทั้ง40สิอย่างนะ สี่สิบอย่างพุทธานุสต mm ิธรมมานุสต really oh, so ิสังขารนุสติศีราจาคารเทวตามรณะนุสติแลึกถึงความตายหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายตายตายแต่หลวงปู่ล่าท่านให้ภาวนาหายใจเข้าเกิดหายใจออกดับเกิดดับเกิดดับเกิดตายเกิดตายถ้าว่าหายใจไม่เข้าก็ตายหายใจไม่ออกก็ตายเนี่ยถ้าว่าเกิดตายเกิดตายอันนี้ก็คือหลวงปู่ล่าท่านแนะนําให้ภาวนา ที่หลวงพ่ออยู่กับองค์หลวงปู่นะอันนี้ก็คือได้ทั้งนั้นเรือหรือจะว่าอำนดยลมหายใจเฉยๆก็ได้ไม่บริกรรมอะไรก็ได้แต่ถ้าว่าพวกเราลองลองหลายวิธีดูนะสมมติว่ามันยังมีช่องว่างที่จะออกได้อยู่ครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่าให้บริกรรมให้ถี่ดูสเิเวลา เ, เราไม่ต้องกำาหนดล้ง กำรดูที่จิตเลยตอนนี้ดูที่ใจของเราตัวที่ผู้รู้อยู่ตัวที่รู้รให้บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธคล้ายๆว่าสัมทับอยู่ในตัวผู้รู้นั้นะไม่ให้มันคิดปุ่มออกไปข้างนอกนี่แหละวิธีการปฏิบัติที่จะทําจิตใจให้สงบจิตใจให้นิ่งเท่านั้นแหละแต่บคํามันยังมีออกอยู่นะถ้ามันยังออกอยู่มันยังไม่อยู่่ ให้พวกเราทดลองนับหลวงพ่อบอกวิธีการวิธีการทําสมาธิมันมีหลายวิธีนะมันมีหลายวิธีเพราะฉะนั้นเราทดลองดูวิธีนี้เป็นยังไงวิธ <S ES> ีนี้เป็นยังไงเพราะฉะนั้นเราต้องทดลองดูมันจะถูกกับจ э ิตของเราอย่างไรสมมติว่าหายใจเข้า ok, เราพวกเรานับหนะึ Hi ่งหายใจออกพวกเรานับสองนะับ3มหายใจเข้า ok, นะับ4หายใจออกนะับห้าหายใจเข้านับ6กหายใจออก นับถึงร้อยกนับถึงรอยแล้วเราหลงไหมเราเผลอไหมถ้าไม่เผลอแสดงว่าเรามีสติของครองเราใช่ได้ดีแล้วก็นับอีกนับหนึ่งมาอีกจนถึงรอยนับอีกอหนึ่งถึงรอยไม่เผลอแสดงว่าแต่ละครั้งเนี่ยเรามีสติอยู่กับตัวเองหนึ่งนาทีกว่ากว่านะนับถึงรอยเนี่ยแต่ถ้าว่าเราพอนับไปแล้วเผลอบ่อยๆนะ พอนับไปถึงสิเผลอแล้วนับไปถึง20เผลอแล้วอั น, นั้นเราไม่น่าไว้ใจนะถ้าเผลอบ่อยๆเข้าไปนะแสดงว่าสติของเราไม่ดีแล้วเผอเผลอมันจะเป็นบ้าบ้า บ, าบองบองเพอะไรทีนี้เพราะเหตุอะไรเพราะมันเผลอจิตสติสติมันขาดบ่อยเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามฝึกให้สติอยู่กับตัวเองถึงให้เข้มเข้มให้เข้มข้นขึ้นให้เข้มข้นขึ้นกว่าเก่าทีนี้หายใจเข้า นับหหายใจออกนับสองนับดูให้มีสติตั้งสติให้เข้มแข็งขึ้นเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันขาดไปยังไงเวลาหายใจเข้า1เป็นเลขขี้นะหายใจออกขคานะสองเป็นเลขคู่หายใจเข้า3เป็นเลขคี่หายใจออกเป็นเลขคู่หายใจเข้าเป็นเลขขี้นับไปเลยจนถึงร้อแต่ถ้ามันจะเบอร์เบอรนะ์มันจะหายใจเข้าหายใจเข้าหกสิ หายใจออก63สิบแสดงว่ามันผิดแล้วนะมันมันข้ามขั้นแล้มันเผลอแล้วนะแล้วพมันเผอลอเราก็ตั้งต้นใหม่แล้วค่อยตั้งต้นใหม่เราตั้งสติใหม่อันนี้แหละวิธีการที่จะทําจิตใจให้สงบจิตใจให้เป็นหนึ่งจากนั้นพอเรามีความพยายามมีความตั้งใจจริงนะจากนั้นจิตของเราก็มีสติมีสติสมบูรณ์มีสติขึ้นไปเรื่อยๆพอจิตใจของเรามีสติมีสมาธิ บริกรรมไม่เผลอทีนี้จิตของเราจะเข้าสู่ความสงบแล้วนะทีเดียพอจิตพอบริกรรมไปบริกรรมไปมันจะเย็นว่างในความรู้สึกนะอันนี้เราไม่ตองอันนี้หลวงพ่อพูดให้ฟังเป็นแนวทางนะแต่พวกเราจะไปคิดว่าเย็นว่างเย็นไม่ว่าบนะแต่หลวงพ่อพูดให้ฟังเป็นแนวทางว่าเมื่อจิตมันจะเข้าสู่ความสงบอันดับแรกพวกเรามันจะจิตใจของเรามันจะเย็นว่างผิดปกติในจิตทั่วๆไป ในเมื่อจิตของเราเข้าสู่ความสงบในขณะนั้นนะ่ะอันนี้เรียกว่าคณิกะสมาธิเออเป็นสมาธิเบื้องต้นคณิกาสมาธิเพียงคณิกาสมาธิเท่านี้พวกเราก็จําไม่ลืมแล้วนะโอ้มีความสุขจริงเ อ, อทําไมเราอยากจะให้เป็นอย่างนั้นอีกอั้างนั้น่ะอยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นอีกแต่ตามมัจริงมันเป็นไม่ได้หรอกเพราะเราอยากจะให้เป็นมันจะไม่เป็นนะเพราะฉะนั้นเราตั้งตั้งต้นใหม่เราไม่ต้องเอแปลว่าเอาใหม่หาใหม่ ไม่ต้องคิดว่าอยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นถ้าเราคิดอยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นมันจะไม่เป็นเพราะนั้นเราไม่ต้องคิดเราต้องพยายามหาเหตุผลหาเหตุใหม่พยายามบริกรรมใหม่พุโทโธพุโทโธพุโทโธอย่างที่ว่าใหม่มันจะเย็นหรือไม่เย็นเราไม่สนใจทีนี้พอเราไม่สนใจใจของเราก็จะเข้าสู่ความสงบ เมื่อจิตใจเข้าลุกสู่ความสงบเราจะรู้ได้ว่าเออจิตใจสงบนี่เป็นอย่างนี้เองจะรู้ได้ด้วยตนเองนั้นเวลาจิตใจสงบจากนั้นพอจิตใจ อ, อันดับแรกก็คือคณิกะสมาธาิพอต่อมาจิตใจของเรารวมเข้าไปเป็นอุปจารสมาธิอุปจาระให้ท่าว่าอุปจาระนี่แปลว่าอย่างไปอยู่นะจิตยังเคลื่อนเคลื่อนไปมาได้อยู่ แต่ว่าสติของเราควบคุมจิตจิตคิดเตื่องอะไรจิตอยู่ในระดับไหนจิตเป็นยังไงขณะ น, นี้เดี๋ยวนี้สติของเราทันจิตว่า ง, งั้นเถอะจิตใจของเราจะอยู่ในกรอบของของสมาธิ เ, เรากําหนดดูนี่ใจของเราอยู่อยู่ในกรอบของสมาธิจิตใจของเราไม่ออกไม่ทะเลถลายว่า ง, งั้นเถะไม่หิวไม่ห่วยไม่กระวนกระวายไม่กระสับกระสายจิตใจอยู่ในกรอบของสมาธิ ในเมื่อจิตใจของเราอยู่ในกรอบสมาธิมันก็มีความสุขในระดับหนึ่งเอมันไม่มันไม่ปุง่งไม่ฟุ้งไม่ซาดจากนั้นเราก็ดูกำหนดดูใจของเราอีกดูไม่ให้มันเผลอไปทางอื่นจากนั้นใจของเราจะจะดิ่งลงหาความสงบดิ่งขาหาสมความสงบลงไปอีกเป็นอัปปนาสมาธิอัปปนาสมาธิเนี่ยสมาธิที่ว่าลึกซึ้งที่สุดในบรรดาสมาธิทั้งหลาย สติเป็นอันใดจิตเป็นนั้นนั้นจิตเป็นอะไรสมาธิจิตกับสติเนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกรมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสติกับจิตจิตเป็นอะไรสติเป็นอันนั้นอยู่แต่ว่าเรารู้เลยชัดเจนเลยในความรู้สึกของเราในขณะที่จิตที่รวมเป็นหนึ่งนะเราจะไม่รู้ว่าเราอยู่ที่ไหนเรานั่งอยู่ที่ไหนเราจะไม่รู้เลย เสียงลดเสียงลาเสียงเสียงอะไรมากกนะ็ตามเราไม่รู้ในขณะที่จิตของเราเข้าสู่ความสงบเป็นอัปปนานสมาธิแต่ใจของเราในขณะนั้นบางคนก็อยู่ได้นานนะบางคนก็อยู่ไม่ได้นานจากนั้นก็ถอนขึ้นมาพอถอนขึ้นมาเรารู้ได้ดตัวตนเองเลยว่าโอ้เมื่อกี้นี่จิตของเรารู้สึกว่ามันสงบแต่บางคนก็บางคนนะพอมันหายเงียบไปเลย เอ๊เมื่อกี้ดิจิตสงบหรือว่ามันหลับไปอันนี้ก็มีอีกเยอะแยะอีกเหมือนกันแต่ตามไม่จริงถ้าเป็นลักษณะบ่อยๆ อ, อย่างนั้นไม่ใช่จิตสงบอันนั้นเรียกว่าสมาธิหัวต่อสมาธิหัวต่อเวลานั่งเข้าไปมันเหมือนจะกลับหลับแต่ไม่ล่วนหายไปมันเงียบเก็บไปเลยจากนั้นก็โผล่ขึ้นมาเอ๊ะเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นยังไงอันนี้แปลว่าไม่ใช่สมาธิที่เป็นที่พึงปรารถนา อันนี้เป็นสมาธิหัวต่อถ้าเป็นบ่อยๆจะเป็นจะเป็นนิสัยอันนี้ไม่ดีอย่าให้มันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้ามันเป็นสมาธิที่ดีเนี่ยเป็นสมาธิที่ถูกต้องเวลารวมสงบลงไปแล้วจิตเป็นอันใดสติเปน็นนั้นมันจะรู้ชัดเจนในความรู้สึกของเราจิตของเราแน่วอยู่อย่างนั้นจากนั้นก็ถอนขึ้นมาเราจะรู้ได้โดยตนเองว่าเออที่พระพุทธเจ้าหรือครูบาอาจารย์ที่ท่านบอกว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกเนี่ย ตัวนี้เองเเพราะเหตุอะไรเพราะร่างกายกับใจเนี่ยเป็นคนละอันกันชัดเจนในความรู้สึกของเราเมื่อจิตของเรารวมลงเป็นหนึ่งแล้วใจกับกายเนี่ยเป็นคนละอันกันอ่าเหมือนกับคนขับรถหรือว่ารถกบเหมือนเหมือนกับคนขับรถอย่างนั้นมันเป็นคนละอันกันไม่ใช่อันเดียวกันเราจะรู้ได้ด้วยตนเองเมื่อจิตของเราเป็นสมาธิในถึงระดับนั้นนี่แหละอันนี้ก็คือ หลวงพ่อได้โพูดเรื่องเกี่ยวกับสมาธิให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาแต่สมาธินี้ไม่เกินกว่านั้นเพียงจบเพียงแค่นี้สมาธิที่สูงสุดในสูงมากที่สุดก็คื อ, คอนี่อัปปนาสมาธิจากนั้นแล้วจะปฏิบัติยังไงทีนี้ในเมื่อจิตของเราเข้าสู่ความสงบสงบคือให้ว่าได้ริมรถแห่งความสงบคําว่านัตถิสัติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี เราเชื่อพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสไปเลยยกมือว่า้เลยแหมพระโอษพระพุทธเจ้าท่านสอนท่านรู้ได้ยังไงที่ทําจิตให้สงบมีความสุขจริงๆนี่ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่านักถิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเป็นจริงออยอมรับที่ทําคําสอนของพระพุทธเจ้าจากนั้นเราจะอยากจะให้ความสงบทัา น, น, นก็ไม่ถูกเหมือนกันมันจะสงบก็ได้ แต่เราก็ไม่มุ่งหวังจะให้มันสงบถึงขนาดนั้นแต่พอจิตของเราเป็นสมาธิอุปจารสมาธิจากนั้นเราเดินวิปัสสนาที่วิปัสสนาก็คือวิปัสสนึกถ้ามันจิตสงบเข้าไปแล้วเ ร, เ, รเราต้องบังคับให้ออกนะดยมากบางคนก็ติดในสมาธิก็มีแต่มีน้อยมากแต่เราไม่ต้องกลัว เ, เมื่อเราได้ศึกษาได้ฟังจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วว่าติดสมาธิเป็นยังไง วิธีจะออกจากสมาธิเป็นยังไงเรารู้วิธีแล้วเราไม่ต้องกลัวเรื่องจะติดสมาธิเพราะเหตุใดให้มันเป็นสมาธิเถอนะนะให้เป็นสมาธิดูให้ริ้มรถของสมาธิดูในเมื่อเราได้ริ้มรถสมาธิพอสมควรแล้วจากนั้นเราก็เดินเดินถอนจิตออกมาถอนใจออกมาเดินทางวิปัสสน า, าวิปัสสนาเพื่อนดับแรกก็คือต้องวิปัสสนึกให้นึกคิดบังคับให้ใจนึกคิด นึกคิดเรื่องอะไรเพราะพุทธเจ้าท่านสอนว่า mm hmm. เกษาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อเอ็นกระดูกในร่างกายของเราเนี่ยตั้งแต่หัวในตั้งแต่ศีรษะจนถึงเท้าเนี่ยมีอะไรบ้างอยู่ในนี้มีกระดูกเป็นโครงสร้างจากนั้นก็มีอวัยวะภายในมีตับมีลำไส้มีปอดมีหัวใจอยู่ในท้องของเราในตัวของเราเพราะนั้น จริงไหมที่พรอพูดให้เจ้าที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์บอกกล่าวเรามาพิจารณาใช่มันจริงอันนี้ในร่างกายของเราไม่ใช่สาระที่แท้จริงนะอันนี้คล้ายๆว่าเราเกิดมาแล้วร่างกายของเราเนี่ถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนดูแลดีขนาดไหนคนปือดีขนาดไหนเ อ, อ ให้หลับให้นอนดีขนาดไหนให้อยู่ให้ยาให้ดีขนาดไหนอาหารการบริโภคจะดีขนาดไหนร่างกายของเราก็ยังเป็นอื่นอยู่เสมออันนี้คือพระพุทธเจ้าที่ท่านได้สอนท่านบอกเอาไว้ร่างกายไม่ใช่ของเรานะถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนร่างกายก็ยังเป็นอื่นอยู่เสมอไม่ให้มันแก่มันก็แก่ไม่ให้มันเจ็บมันก็เจ็บไม่ให้มันตายมันก็ตายอีกสักวันหนึ่งต่อไปภายภาคหน้าปู่ย่าตายายของพวกเราไปไหน เ, เพราะชีวิตของเรา ต, ตัวของเราจะเป็นอย่างนั้นใหม่ไม่มีใครที่แกหลีกเลี่ยงหนีพ้นไปได้จุดนี้นะ พ, พระพุทธเจ้ามาให้เดินวิปัสสนาเถวิปัสสนาคือวิปัสสนึกหาเหตุผล เ, เข้าตัวของเราจากนั้นเมื่อเราพิจารณาร่างกายของเราจากนั้นก็มาพิจารณาถึงใจของเราถิ่นใจคือนามธรรมคือตัวนึกคิดตัวรู้ๆ อ, อย่างนี้นีน่แหละ พ, พระพุทธเจ้าท่านให้ความสําคัญตัวนี้เป็นตัวใหญ่มาก เพราะตัวนี้ังหว่ามนโนปุพังขามาธรรมามนโนเศรษฐามนโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านให้ศึกษาเรื่องของใจคือตัวผู้รู้คือตัวนามธรรมให้รู้รอบขอบชิดเรื่องของกายกายกับใจอาศัยกันอยู่แต่ว่าพระพุทธเจ้าให้ความสำคัญเรื่องของใจใจอย่าหลงกายนะอีกกายนี่อีกสักวันหนึ่งจะต้องแตกต้องสลาย ต้องได้เผากั น, นแน่ๆแม้แต่ต้องอะไรพระราชทานเราต้องเผาประชุมเพลิงกั น, นแน่ในเมนน่ะร่างกายของเราเนี่เป็นอย่างนั้นด้วยกันทุกคนเพราะนั้นใจอย่ายตั้งอยู่ในความประมาทนะให้รอบรู้เอาไว้นะขนาดร่างกายแท้ๆยังไม่ใช่ตัวตนของเราเราอย่าเป็นรุ่มหลงอย่างอื่นนะยศถาบรรดาศักดิ์เงินคําทรัพย์สมบัติลูกหลานญาติพี่น้องเพื่อนฝูงของเรา จะเป็นของเราได้อย่างไรแต่ขนาดร่างกายยังไม่ใช่ของเรานะักใจนะอันนี้คือทําความเข้าใจกับใจตนเองในเมื่อเราพิจารณาใจของเราเพิจารณาดูเพราะรู้เห็นจริงในเรื่องภายนอกคือกายและกับภายในคือใจใจของเราไม่หลงใจของเราไม่ยึดติดในสิ่งต่างๆแล้วใจของเราก็จะเกิดความเบื่อหน่ายคลายไม่ยึดมั่นถือมั่นรู้แย้งเห็นจริง ว่ากายกับใจอาศัยกันแต่ว่าใจนี่ไปให้ความสําคัญไปลุ่มหลงเรื่องของร่างกายเน่ยเพราะฉะนั้นใจของเราเควรจะทําความเข้าใจกับตนเองจากนั้นกับพิจารณาดูใจได้ถึความลึกคิดของใจทําไมามันจึงเกิดกิเลสโล่งโกรธหลงราคะโทสะโบหะมันออกไปจากไหนออกไปจากใจของเราทั้งหมดถือเพราะนั้นหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ย ท่านสอนสอนเข้ามาหาใจนะท่าให้ดูที่ใจให้พิจารณาที่ใจให้ดูที่ใจใจใของเราเนี่ยตัวนามธรรมของเราเนี่ยก็ยังไม่ใช่ตัวของเราเอีกเพราะเหตุใดเพราะใจของเราเนี่ยยังออยู่ในกฎอันอีจังคือของไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกเอในเมื่อสิ่งไหนที่ไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งไหนเป็นทุกสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนของเราท่านให้ปฏิเสธกระทั่งใจอีกต่างหาก ในเมื่อปฏิเสธใจแล้วเราจะเอาอะไรเป็นหลักทีนี้ mm hmm. เพราะพ่อทีเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าสิ่งไหนทนต่อการพิสูจน์มันมีอยู่ในนั้นให้ปฏิเสธลงไปเลยเอย่าไปหวงเอาไว้เรื่องพ้องใจให้ปฏิเสธไปเลยว่าใจของเราไม่ใช่ของเร า, เาในเมื่อทนต่อการพิสูจน์สิ่งหนึ่ง เ, เมื่อเมื่อเราปฏิเสธไปแล้วสิ่งที่ทนต่อการพิสูจน์ มันจะขึ้นมามันจะรู้ขึ้นมานั่นแหละคือความบริสุทธิ์เหมือนกับอทองคํามันอยู่ในตะ ก, กัว่วอยู่ในเหล็กอย่างนั้นอ่ะมันฝังอยู่ในเหล็กอยู่ในตะ ก, กัว่วถ้าว่าเราเอาน้ํากรดลาดลงไปเหล็กตะ ก, กัว่วมันจะละลายหมดอทองคำเนี่ยถึงยังไงก็ไม่ละลายถึงจะเป็นของเล็กน้อยอยู่ในนั้นมันก็เด่นขึ้นมามนเป็นทองคําขึ้นมานี้ก็เหมือนกันถ้าเรา ปฏิเสธไว้ใจเป็นอันิจจังที่เป็นเครื่องหุ้มหอ่อกิเลสหุ้มหออ่อจิตใจอยู่คือความหลงอย่างหุ้มหอ่อจิตใจอยู่เราปฏิเสธว่าร่างใจของเราไม่ใช่เร า, ไ ม, เราไม่ใช่ของเราในเมื่อเราปฏิเสธไปแล้วสิ่งที่นอกเหนือจากอันไดจังทุกขังอนัตตามันมีสิ่งเหนือกว่านั้นอีกมันจะผดขึน้นจะรู้ขึ้นใน ใ, นใจของพวกเรานั่นแหละความบริสุทธิ์ นี่หลังอ่อนนิพพานัง -param สุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งหานิพพานไม่ต้องหาที่ไหนหาที่ใจไม่ใช่หาที่กายนะแหมกายร่างกายของเราเป็นแต่เพียงหินรับปัญญาให้เกิดปัญญาที่แท้จริงเท่านั้นเองเพราะนั้นขอให้พวกเราพุทธศาสนานิกชนพวกเรา ท, ทุกท่านนะอันนี้แหละทำคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านแนะนําสั่งสอนพระสงฆ์หรือแนะนําพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเรา อย่างตั้งแต่สลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงปู่ต่างต่าที่ท่านร่วงรับดับคันไปท่านเนี่ยท่านไปภาวนาท่านพิจารณาอย่างนี้แหละจากนั้นท่านก็ได้สาเร็จมรรคสาเร็จผลกระดูกของท่านก็ได้กลายเป็นพระธาตุอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นได้กราบได้ไหว้ได้เคารพสักการะ บ, บูชากระดูกของท่านเป็นก้อนเป็นเม็ดเป็นกลมกลมหรอเป็นพระธาตุนี่แหละใคร่ข้าวาบ่งบอกถึงความบริสุทธิ์ของท่าน ใจของท่านบริสุทธิ์แล้วท่านเป็นพระอาหารหันต์แล้วอันนี้ขอให้คณะสัตย า, าติยมทุกๆ ท, ท่านประพฤติปฏิบัติรรมแล้วก็บืรองต้นหลวงพ่อได้ยกเป็นพุทธภาศีตวาปูชาจะปูชนียานังเอตมังคารมุตตามั ง, บ, มงบูชาบุคคลที่ควรบูชาหลวงปู่ถิ่นของเรา เป็นบุคคลที่ควรบูชาเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้เป็นผู้ให้โอว่าแก่พวกเราท่านทั้งหลายแก่ลูกแก่หลานทั้งหลายพวกเราได้นำทำคำสอนขององค์หลวงปู่มาประพฤติปฏิบัติพวกเรายอมรับว่าหลวงปู่เป็นผู้มีอุปคระคุณเพราะฉะนั้นพวกเราจึงเทิดทูนบูชาว่าเป็นบุคคลที่ควรบูชาคือหลวงปู่ถิน่นแห่งของพวกเราเอ็นตัมมังขรมุตตัมังท่าพวกเราบูชา เป็นท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็เป็นมงคลอันอุดมเป็นมงคลอันสูงสุดสาหรับพวกเราท่านทั้งหลายในอันดับแรกหลวงพ่อได้พูดเกี่ยวกับการเป็นมาขององค์หลวงปู่ถิน่นแล้วก็มีเรื่องําเรื่องคําเรื่องหลวงหลวงปู่ดีปราบผีนะจากนั้นหลวงพ่อก็ได้พูดว่าหลวงปู่ของเราเป็นผู้มีพระคุณ ตอพวกเราท่านทั้งหลายจากนั้นก็ให้พวกเราเที่วันเข้าพรรษาเป็นยังไงทําไมจึงเข้าพรรษาเพราะพระพุทธเจ้าบัญญัติวินยัยพระให้พระสงฆ์เข้าพรรษาจากนั้นเป็นวันอสา ร, ราบูชาวันอสา ร, ราบูชาสําคัญชะไหนนี่หลวงพ่อก็ได้พูดในแนะนําสั่งสอนพวกเราท่านทั้งหลายจากนั้นหลวงพ่อก็ได้บอกว่าวันเข้าพรรษา แล้วพวกเราจําเป็นยังไงที่จะต้องเข้าพรรษาหลข้พ่อว่าในเมื่อพระสงฆ์เข้าพรรษาพวกเราก็ควรจะประกอบคุณงามความดีควรจะมองดูตนเองว่าในพรรษานี้ข้าพเจ้าจะยึดอะไรเป็นหลักสักอย่างหนึ่งจะไหว้พระไม่แหกขาดจะรักษาศีลห้าจะรักษาศีลอุโบสถจะไปกราบไปไหว้พ่อแม่ไม่แหกขาดทุกวันอาทิตย์อย่างนี้นหลวงพ่อว่าก็จะเป็นชริเป็นมงคลของพวกเรา ถ้าพวกเราไปกราบพ่อกราบแม่ให้ลูกให้หลานเราได้เห็นลูกหลานเมื่อเราแก่เท่าชรลาต่อไปภายภาคหน้าลูกหลานก็จะมากราบเราด้วยความไม่กระดากอาย เ, อเหมือนเราอยากจะทํา เ, เมื่อเราอยากจะให้ลูกหลานของเราดีนะเราต้องทําดีให้ลูกหลานของเราดูเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราไปกราบพ่อกราบแม่หลวงพ่อเป็นชริตเป็นมงคลนะจากนั้นก็หลวงพ่อได้ แนะนำเรื่องสมาธิเพราะนานๆพวกเราจะได้ยินพระพูดเรื่องสมาธิมีแต่ท่านพูดเรื่องอย่างอื่นแต่หลวงพ่อได้แนะนำเรื่องสมาธินั่งสมาธิทำยังไงขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงจากนั้นก็ปนมมือขึ้นระว่างอกพุทโธ ท, ทำโมสังโปจากนั้นก็เอามือลงแล้วก็บริกรรมพุทโธพุทโธแล้วก็ จะนับ123ก็ได้จากนั้นจิตเข้าสู่ความสงบคณิกาเป็นอย่างไรอุปจารสมาธิเป็นอย่างไรอัปปนาสมาธิเป็นอย่างไรเมื่อจิตเข้าสู่อัปปนาสมาธิแล้วพวกเราจะนําจิตมาพิจารณาทางวิปัสสนาพิจารณาอะไรนี่แหละเมื่อพิจารณาร่างกายแล้วให้พิจารณาดูใจใจของเราเป็นหลงร่างกายเป็นหลงสิ่งภายนอก เพราะฉะนั้นให้ทําความเข้าใจกับใจตเนเองมรรคผลนิพพานอยู่ที่ใจสําเร็จมรรคผลสําเร็จพระอริยะบุคคลพระโสดาสกตาคานาคาอรหรันนะเอาใจท่านสําเร็จไม่ใช่อื่นไม่กายไม่ใช่กายสําเร็จใจของท่านสําเร็จเป็นพระอริยะบุคคลเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วนําไปคิดนําไปไปพิจารณาไตรตรองด้วยเหตุและผลแล้วก็หลวงพ่อได้สรุปว่า หลวงปู่ถิ่นของเราเป็นบุคคลที่ควรบูชาเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราท่านทั้งหลายแต่พวกเราได้มาร่วมกันทําบุญวันนี้ก็เป็นเพื่อสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเราเพื่อเป็นสิริเพื่อเป็นมงคลสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายในการพูดและการแสดงธรรมในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอํานาจคุณพระศีรัตนัทไรพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์